ส่วนอัปมาทะมีคำนิยมใช้หลายคำคือ watchfulness, earnestness, diligence, zeal, carefulness หรือความหมายในทางปฏิเสธว่า non neglect of mindfulness, non negligence อัปมาทะนี้เป็นหลักธรรมสำคัญยิ่งสำหรับความก้าวหน้าในระบบจริยธรรม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 พุทพจน์แสดงความสำคัญของอัปปมาทะนี้บางทีซ้ำกับโยนิสโสมนัสิการเหตุผลก็คือทาทั้งสองอย่างนี้มีความสำคัญเท่าเทียมกันแต่ต่างแง่กันโยนิสโสมนัสิการเป็นองค์ประกอบฝ่ายปัญญาเป็นอุปกรณ์สําหรับใช้กระทําการส่วนอัปปมาทะเป็นองค์ประกอบฝ่ายจิตคือด้านสมาธิเป็นตัวควบคุม